เราเรียนธรรมะเพื่อรู้ความจริงของกายของใจแล้วปล่อยวางวงเล็บเปิดยี่สิบเจ็ดกุมภาพันสองพันห้าอยห้าสิบสองในวงเล็บหนึ่งวงเล็บปิดพวกเรามาตั้งใจเรียนดีแล้วเพื่อตัวเองไม่ใช่เพื่อคนอื่นธรรมะต้องเรียนเพราะว่าเรารู้ด้วยตัวเองไม่ได้มันเกินสติปัญญาของเราเองธรรมะเป็นเรื่องฝืนความรู้สึกฝืนความเคยชินของสัตว์โลกสัตว์ทั้งหลายใจมันจะไหลลงต่ําตลอดเลย ทำอย่างไรจะยกระดับจิตใจขึ้นมาให้สูงขึ้นมาจนพ้นโลกการยกระดับจิตใจก็ไม่ใช่ไปมุ่งทำจิตให้ดีถาวรไม่ใช่มุ่งทำจิตให้มีความสุขถาวรไม่ได้มุ่งทำให้จิตสงบถาวรแต่การยกระดับจิตใจทำด้วยการเรียนรู้จนเข้าใจความจริงเข้าใจความจริงของกายของใจเมื่อมันเข้าใจความจริงแล้วมันไม่ยึดถือกายกับใจมีอยู่แต่ไม่ยึดถือมันไม่ใช่ฝึกบังคับกายบังคับใจคนละเรื่องกัน ไม่มีใครสามารถบังคับกายบังคับใจได้ตลอดการหรอกเพราะทั้งกายทั้งใจมันอยู่นอกการบังคับมันเป็นอนัตตาอาศัยปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเราถึงรู้ความจริงเพราะเราต้องเรียนรู้ความจริงของกายของใจแล้วเขาปล่อยวางเพราะปล่อยวางแล้วกายกับใจมีอยู่แต่มันไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นในใจอีกต่อไปไม่ใช่ไม่มีฉะนั้นไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อทาอย่างไรจะเอาชนะกายชนะใจพวกเราคิดอย่างนั้นแหละ ฝึกก็คิดจะเอาชนะกายชนะใจเช่นนั่งภาวนาทำอย่างไรจะไม่เมื่อยหรือเมื่อยแล้วทำอย่างไรจะทนได้ทำอย่างไรนั่งแล้วจะหายเมื่อยจิตใจก็เหมือนกันทำอย่างไรจะสงบถาวรจะมีความสุขถาวรจะดีถาวรเราคิดแต่เรื่องบังคับกายบังคับใจสัตว์โลกคิดได้เท่านี้เองการพยายามฝึกตัวเองบังคับกายบังคับใจเป็นการปรุงแต่งฝ่ายดีเรียกว่าปุญญาพิสังขาร คือพอเราลงมือทําจริงๆถ้าไม่บังคับกายก็ต้องบังคับใจอันใดอันหนึ่งเพราะฉะนั้นความปรุงแต่งฝ่ายดีจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอัตตะกิลมัทฐานุโยกก็ยังได้มันไม่สามารถบังคับได้จริงบังคับได้ชั่วคราวอย่างเราว่าร่างกายเคลื่อนไหวเพราะจิตสั่งมันไม่ได้สั่งได้ตลอดเวลาบางทีมันก็สั่งไม่ได้อย่างเวลานอนหลับจิตตื่นขึ้นมาจิตสั่งร่างกายไม่ได้สั่งให้กระดุกกระดิกตามใจชอบไม่ได้ พวกเราภาวนาเราจะเห็นเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าร่างกายเคลื่อนไหวได้เพราะจิตสั่งอย่างเดียวบางทีสั่งก็ไม่เคลื่อนไหวฉะนั้นเราคอยดูนะคอยศึกษาเอาเรียนรู้ความจริงของกายของใจจนวันหนึ่งไม่ยึดถือมันที่ไม่ยึดถือมันได้เพราะเห็นความจริงสูงสุดเลยคือกายนี้ใจนี้มันทุกข์ล้วนๆเลยไม่มีทางทาให้หายทุกข์ถ้าเห็นว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆไม่มีทางแก้ไขอย่างอื่น มีแต่บรรเทาทุกข์ชั่วคราวเดี๋ยวก็ทุกข์ใหม่เราจะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดคลายความยึดถือในกายในใจแล้วจิตมันจะหลุดออกเองไม่มีใครสั่งจิตให้หลุดพ้นได้หลุดพ้นจากอะไรหลุดพ้นจากอาสวะกิเลส ท, ที่ห่อหุ้มอยู่อาสวะกิเลสมีรากเง่าของมันก็คืออวิชชาความไม่รู้แจ้งอริยสัจไม่รู้ทุกข์นั่นเองเพราะไม่รู้ทุกข์แจ่มแจ้งจึงไม่สามารถหลุดพ้นปล่อยวางขันห้าได้ ไม่สามารถแหวกอาสะวะกิเลสที่ห่อหุ้มออกไปได้ทีนี้คนทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายไม่เข้าใจว่าจะต้องรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงจนปล่อยวางมีแต่คิดว่าทำอย่างไรจะบังคับกายบังคับใจได้คิดว่าฝึกดีๆแล้วบังคับได้อย่างฤาษีชีไพรพวกโยคีอะไรอย่างนี้เขาฝึกนั่งบนตะปูก็ได้นอนก็ได้กินยาพิษก็ได้เอาไปฝังดินก็ได้หรือว่าฝึกเก่งๆแล้ววันหนึ่งจะพ้นทุกข์ สุดท้ายเห็นฤือสีมันก็ตายทุกคนเลยมันก็ไม่ผลสักคนหนึ่งอุตส่าห์ทำสมาธิเข้าฌานจน จ, นจิตนิ่งเลยตายไปแล้วไปเป็นพระพรหมจิตนิ่งสงบสบายอยู่อย่างนั้นทรงฌานไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งมันก็ตายจากการเป็นพระพรหมมันไม่สามารถบังคับกายบังคับใจตามใจชอบได้อย่างถาวรบังคับได้นิดๆหน่อยๆเสร็จแล้วก็บังคับเอาไว้ไม่ได้จริงนี่คนทั้งหลายคิดได้แค่ว่าทำอย่างไรเราจะฝึกตัวเองให้ดีได้ ไม่เข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกให้ไปทำให้มันดีแต่ให้เรียนรู้ว่าจริงๆมันเป็นอย่างไรจริงๆมันไม่เที่ยงจริงๆมันเป็นทุกข์คือมันถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเลยอยู่ได้ชั่วคราวเดี๋ยวก็ต้องดับสลายแล้วเพราะมันถูกบีบคั้นอยู่ตลอดทำไมมันถูกบีบคั้นอะไรบีบคั้นสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุ เหตุเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาพราอเหตุมันเคลื่อนไหวเหตุมันเปลี่ยนแปลง น, นะตัวมันถูกบีบคั้นเพราะมันทนอยู่ไม่ได้เหตุมันจะเปลี่ยนการที่มันจะมีขึ้นมาหรือมันจะตั้งอยู่หรือมันจะดับไปก็เป็นไปด้วยเหตุเราสั่งไม่ได้ตรงที่เราสั่งไม่ได้เรียกว่าอนัตตาบังคับไม่ได้สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุทั้งสิ้นเลยบังคับไม่ได้อย่างเช่นไฟไหมเราก็คิดว่าเราดับไฟได้ที่จริงเราดับเหตุของไฟ ที่ไฟไหม้เพราะอุณภูมิมันสูงพอเอาน้ําไปราดมันอุณภูมิลดลงไฟก็ดับเห็นไหมไม่มีใครดับไฟได้แต่ไฟมันดับของมันเองเพราะเหตุมันดับมันมีไฟไหม้ได้เพราะมีออกซิเจนบางคนก็เอาโฟมไปฉีดมันให้อากาศเข้าไปไม่ได้ไฟก็ดับเห็นไหมไม่ใช่เราทําให้ไฟดับแต่เพราะมันหมดเหตุของไฟไฟก็เลยดับ ไฟมันไม่ลา ม, มาเราหรือบ้านทิ้งไปบ้างหรือไฟไหม้ป่ามาเราก็ตัดหญ้าออกไปกลายเป็นแนวกันไฟไฟก็ดับที่ไฟดับเพราะไฟไม่มีเชื้อไฟไม่มีเหตุของไฟสิ่งทั้งหลายนี่ถ้ามองผิวเผินเหมือนเราบังคับได้ความจริงแล้วบังคับมันไม่ได้อย่างร่างกายเรานี่ร่างกายเราบางคนจะต้องเป็นมะเร็งถ้าไม่ตายเสียก่อนจะต้องเป็นสั่งไม่ให้เป็นไม่ได้บางคนก็เชื่อว่าถ้ากินอาหารที่ปลอดสารพิษ กินเจไปเลยแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่างนี้ไม่มีอนุมูลอิสระมันก็เป็นจริงๆแล้วเราบังคับไม่ได้ทำไมร่างกายอันนี้ต้องป่วยแบบนี้โรคบางโรคมันถูกกำหนดมาแต่แรกแล้วมันมียีนมันมีพันธุ ก, กรรมจะเป็นมันก็เป็นมันมีเหตุสั่งมันไม่ได้ฉะนั้นไม่มีอะไรที่เราบังคับได้จริงหรอกมองผิวเผินเหมือนบังคับได้เอาเข้าจริงบังคับไม่ได้กระทั่งใจเราเรายังบังคับไม่ได้รู้สึกไหม ใจเราสั่งไม่ได้จริงลองทดสอบนะว่าใจเราสั่งได้ไหมอา้าวสั่งมันลงไปเลยจงบรรลุพระอารหันต์เดี๋ยวนี้ในวงเล็บโยมหัวเราะทําไมหัวเราะเพราะรู้ว่าสั่งไม่ได้สั่งมันสิจงเศร้าใจเดี๋ยวนี้ก็รีบคิดใช่ไหมคิดเรื่องเศร้าๆโถไปดูหนังเศร้าๆแล้วมันเศร้าเห็นไหมฉันสั่งได้แล้วไม่ใช่มันเศร้าเพราะมันไปกระทบผัสสะที่ไม่ดีตัางหาก หรือมันไปกระทบผัสสะที่ชวนให้เศร้าใจแล้วใจมันก็เศร้าของมันเองฉะนั้นเราสั่งมันไม่ได้นะเราสั่งให้มันมีความสุขสั่งได้ไหมให้มีความสุขแต่ถ้าเราภาวนาไปถึงจุดหนึ่งเรามีความสุขโดยไม่ต้องสั่งเพราะอะไรเพราะมันมีเหตุสมควรแล้วถ้าภาวนาจนเราไม่ยึดถืออะไรเราจะมีความสุขโดยไม่ต้องสั่งมีความสุขอยู่อย่างนั้นแหละทั้งวันทั้งคืนแต่ถ้าจะว่าไปก็เป็นความรู้สึกที่แปลกมาก ด้านหนึ่งเรารู้สึกว่ามีความสุขทั้งวันทั้งคืนเลยอีกด้านหนึ่งเรารู้สึกว่ามีแต่ความทุกข์ล้วนๆเลยอย่างเวลาที่เราภาวนาอย่างไม่เต็มที่พอเราไปนอนเรารู้สึกสบายใช่ไหมมีความสุขพอภาวนาเต็มที่นะจะยืนเดินนั่งนอนเราเห็นแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยมีแต่ทุกข์ทุกอย่างในาธาตุในขันนี้ไม่เห็นมีตรงไหนที่เรียกว่าสุขสักนิดยืนเดินนั่งนอนเป็นทุกข์หายใจออกหายใจเข้าก็เป็นทุกข์กินอาหารก็เป็นทุกข์ขับถ่ายก็ทุกข์ อะไรก็ทุกไปหมดเลยเราเห็นแต่ทุกข์ล้วนๆแต่อีกด้านหนึ่งมีแต่ความสุขล้วนๆเลยพูดยากนะในสมัยพุทธกาลมีพระอรหันต์สองพวกพวกหนึ่งไปไหนก็พูดโอ้มีความสุขจังเลยอีกพวกหนึ่งโอ้ทุกจังเลยทุกมีแต่ทุกขโลกนี้มีแต่ทุกข์ท่านมองกันคนละมุมถ้ามองในมุมของาธาตุของขันนี่พระอรหันต์จะเห็นาธาตุขันเป็นทุกข์ล้วนๆเลยอย่างพวกเราจะรู้สึกว่า ทุกบ้างสุขบ้างถ้ามองในมุมของนิพพานพระอระหันต์เห็นนิพพานมีแต่ความสุขล้วนๆเลยเพราะฉะนั้นท่านพูดท่านไม่ได้โกหกสักองค์เดียวท่านก็พูดถูกทุกองค์แล้วแต่มุมที่จะมองทำอย่างไรเราจะอยู่กับทุกข์ได้โดยไม่ทุกข์นี่ปัญหาใหญ่ไม่ใช่ทำอย่างไรจะไม่มีความทุกขเลยสิ่งที่เรียกว่าทุกขคือกายกับใจตราบใดที่มีกายมีใจตราบนั้นมีความทุกข ฉะนั้นไม่ใช่ภาวนาให้กายหายไปให้ใจหายไปหลายคนภาวนาให้กายหายไปคือพวกที่หัดเข้าอารูปประชานเข้าอารูปเหลือแต่จิตอันเดียวเลยเหลือจิตกับเจตสิกไม่มีร่างกายอีกพวกหนึ่งหัดให้จิตหายไปเหลือแต่ร่างกายพวกเข้าพรมลูกฟักอสัญญสตตาภูมิพวกกำหนดทั้งหลายนี่แหละกำหนดไปเรื่อยกำหนดท้องกำหนดมือกำหนดเท้านั่นแหละทำสุดขีดจะไปเป็นพรมลูกฟัก เพราะไปเพ่งรูปหายก็หายชั่วคราวเดี๋ยวก็กลับมามีอีกฉะนั้นเราไม่ได้ฝึกเพื่อให้กายให้ใจนี้หายไปไม่ได้ฝึกเพื่อบังคับมันให้ได้แต่ฝึกจนเห็นความจริงเลยว่ามันมีแต่ทุกข์ล้วนๆถ้าเห็นความจริงแล้วจิตมันวางของมันเองมันอยู่ด้วยกันแต่มันไม่กระทบกันเป็นเรื่องแปลกมันเหมือนอยู่คนละเลเยอร์ในวงเล็บชั้นกันอยู่ด้วยกันแต่มันไม่กระทบกระทั่งกันคนโบราณท่านเปรียบเหมือนดอกบัว เกิดมาจากโคลนตมแท้แต่ไม่เคยเปื้อนเลยมันอยู <t its> <t its> ่ด้วยกันแต่ไม่กระทบกันจิตที่ฝึกดีแล้วก็เหมือนกันมันอยู่กับธาตุกับขันนี้เองแต่ความทุกข์ของธาตุขันมันเข้ามาไม่ถึงจิตถึงใจไม่ใช่ฝึกให้มันไม่มีกายไม่มีใจไม่ใช่ฝึกบังคับกายบังคับใจแต่ฝึกจนอยู่กับกายอยู่กับใจอยู่กับทุกโดยไม่ทุกเห็นกายมันทุกแต่เราไม่ทุกเห็นจิตมันทุกแต่เราไม่ทุกฝึกไปมากๆจะเป็นอย่างนี้ จะเหลือแต่ความสุขล้วนๆเลยความสุขที่ไม่อิงอาศัยสิ่งอื่นๆความสุขในโลกเป็นความสุขที่อิงอาศัยสิ่งอื่นทั้งสิ้นเลยกระทั่งในพรหมโลกความสุขก็อิงอาศัยฌานสมาบัติวันใดฌานสมาบัติเสื่อมไปก็ไม่มีความสุขความสุขของพระนิพพานไม่ออาศัยสิ่งใดเลยเพราะไม่ได้ยึดถืออะไรสักอย่างเดียวเป็นความสุขจากการที่ไม่ยึดถืออะไรเลยที่ไม่ยึดถืออะไรเลยเพราะเห็นความจริงจนไม่ยึดถือ เห็นแล้วมันทิ้งของมันเองเรามีหน้าที่ดูไปเรื่อยๆดูกายตามความเป็นจริงดูใจตามความเป็นจริงดูไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งมันไม่ยึดถือของมันเองสลัดทิ้งของมันเองเราจะอัศจรรย์ใจเลยว่าธรรมะอย่างนี้ก็มีอยู่ด้วยในโลกจะเริ่มใสศรัทธาพระพุทธเจ้าสูนหัวใจรักพระพุทธเจ้าสูนหัวใจเลยโอ้ท่านค้นคว้ามาได้อย่างไรอัศจรรย์จริงๆขณะท่านค้นคว้าแล้วมาบอกเราเรายังเดินไม่ค่อยจะเป็นเลย อย่างหลวงพ่อเทศทุกวันว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้หัดเจริญสติทำอย่างนี้วิธีจะให้หลุดพ้นคือภาวนาไปจนจิตไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจต้องเห็นความจริงว่ากายกับใจเป็นทุกข์สรุปง่ายๆเราภาวนาไม่ได้มุ่งเอาดีเอาสุขเอาสงบเราภาวนาเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจจนมันหมดความยึดถือความจริงของกายของใจคือไตรลักษณ์มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันบังคับไม่ได้ พอเห็นอย่างนี้มันจะหมดความยึดถือไปเองมันจะสลัดทิ้งเองเราไม่ต้องสลัดจริงๆแล้วจิตมันเป็นเองแต่อยู่ๆจิตมันเป็นเองไม่ได้เราต้องทําเหตุเหตุของมันคือเจริญสติเราคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจอย่าลืมกายอย่าลืมใจในขณะเดียวกันไม่บังคับกายไม่บังคับใจไม่เพ่งมันถ้าเพ่งกายเพ่งใจก็ไม่ใช่ถ้าลืมกายลืมใจก็ไม่ใช่ทางสายกลางอยู่ที่รู้กายรู้ใจ รู้โดยไม่ได้บังคับรู้โดยไม่ได้เพ่งรู้เล่นๆหัดรู้นะทางสายนี้อาศัยการรู้เท่านั้นเองเห็นตามความเป็นจริงวิปัสสนาคือการเห็นตามความเป็นจริงเห็นกายเห็นใจเขาแสดงไตรลักษณ์ถ้าเราไปเพ่งเอาไว้มันจะนิ่งกายนิ่งใจก็นิ่งไม่มีไตรลักษณ์ให้ดูฉะนั้นอย่าไปเพ่งเอาไว้ปล่อยให้กายให้ใจทางานไปอย่างอิสระแต่ถือศีลห้าเอาไว้ก่อนพะปล่อยให้ทาอิสระเดี๋ยวไปทาชั่วเข้า ฉะนั้นทางใจเราจะไม่เก็บโกรธเลยเราจะดูมันทำงานแต่ทางกายทางวาจาเราไม่ทำผิดมันไปกระทบกระทั่งคนอื่นเป็นบาปเป็นกรรมฉะนั้นเรามีสีลห้าเอาไว้แต่ทางใจนะโกรธขึ้นมาเราก็รู้ว่าโกรธไม่ต้องห้ามไม่ใช่ต้องคิดว่าทำอย่างไรจะหายโกรธโกรธขึ้นมารู้มันเฉยๆแต่อย่าไปช่วยมันเช่นเพราะมันโกรธขึ้นมาอา้าวโกรธอีกหน่อยนะเพื่อกิเลสจะชัดขึ้นมาเราจะได้เห็นอีก บางคนน้อมใจให้โกรธก็มีใครเคยเป็นไหมเรื่องมันนิดเดียวหาเรื่องคิดไปเรื่อยให้มันโกรธเยอะๆสนุกดีพวกผู้หญิงเป็นเยอะเลยชอบคิดเรื่องเศร้าๆโสมิญญา น, นางเอกแมนมีเลือดซิบๆอยู่ในใจเจ็บแสบชอบมากกำลังฝึกตกนรกอยู่เราอย่าไปช่วยมันถ้าเราไปช่วยมันมันจะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นเราไม่ช่วยมันหรอกเรารู้มันเฉยๆแล้วเราก็ไม่ต่อต้านมัน เวลากิเลสเกิดก็รู้เฉยๆไม่สนับสนุนแล้วก็ไม่ต่อต้านรู้ด้วยความเป็นกลางอย่างแท้จริงดูมันทางานไปทุกสิ่งทุกอย่างในกายในใจดูมันทางานไปเรื่อยไม่คล้อยตามไม่ต่อต้านจำได้ไหมหลักของการปฏิบัติทั้งนั้นเลยที่พูดให้ฟังนะรู้ไปสบายๆถึงวันหนึ่งก็แจ้งขึ้นมาว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราแจ้งตรงนี้ได้โสดากายนี้ทุกล้วนรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ ตาหูจมูกลิ้นกายนี่ทุกข์ล้วนล้วนได้ตรงนี้ได้อนาคาแล้วดูลงไปจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนล้วนตัวผู้รู้ตัวธาตุรู้นี้ก็ตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวดีตัววิเศษไม่ใช่ที่พึ่งที่อาศัยสลัดคืนจิตให้โลกไปเป็นพระอาหารหันต์พระอาหารหันต์ไม่ยึดถือจิตพวกเรายึดถือจิตดูออกไหมจิตของเราถูกขังด้วยดูออกไหมถูกขังอยู่ในที่แคบแคบดิ้นขลุกขลักขุกขลักได้แต่ออกมาไม่ได้ สิ่งที่ห่อหุ้มจิตนี้มันจะขาดตอนเกิดอริยมรรคเท่านั้นตอนได้โสดาขาดแวบนะแวกออกไปแป๊บเดียวก็กลับมาปิดอีกตอนได้สกิทาคานะสิ่งที่ห่อหุ้มจิตอยู่นี่ก็แหวกออกไปแป๊บเดียวก็ปิดตอนได้อนาคาแวบเดียวก็ปิดอีกขาดครั้งที่สี่ถึงจะขาดเลยดูใจของเรามันถูกห่อหุ้มอยู่ตลอดเวลากิเลสมันเยิมอยู่อยู่ตลอดเวลาเราฝึกไปวันหนึ่งเราอิสระเราปล่อยวางจิต เราไม่ได้ไปฝึกให้จิตหลุดออกมาเราฝึกไปพอเราไม่ยึดถือจิตนะสิ่งที่ถูกห่อหุ้มก็ขาดไปด้วยเป็นเรื่องแปลกไหมเป็นเรื่องแปลกมากเลยพอเราหมดความยึดถือจิตอาสวกิเลตมันขาดออกไปถูกทำลายออกไปเองมีเรื่องที่นึกไม่ถึงเยอะแยะเลยในการปฏิบัติอย่างเราคิดว่าวันหนึ่งเราจะฉีกเปลือกนี้ให้ขาดให้ได้เลยเรามุ่งไปฉีกเปลือกนี้มุ่งไปทาจิตให้อิสระไม่สาเร็จหรอก เรารู้จิตตามความเป็นจริงไปเรื่อยวันหนึ่งมันเห็นจิตเป็นทุกข์ล้วนๆก็คืนจิตให้โลกไปสิ่งที่ห่อหุ้มนี้ขาดไปด้วยแปลกเราไม่ได้ทําให้มันขาดอริยมรรคเป็นตัวทําให้มันขาดเห็นไหมไม่มีอะไรที่เราทําได้สักอันเดียวเลยวันนี้ยังไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรฟังฟังเอาไว้วันหนึ่งจะได้ใช้